พร้อมยังพร้อมยังยังไม่พร้อมเนาะใจยังวกแวกอยู่ทำความรู้สึกตัวไปหลวพ่อเคไปกลับหลงปู่สิมจริงเดินขึ้นบันไดไปสูงเนี่ยทําไปถึงเนะีนะ่ยเห็นมีกรดกลางอยู่มองเข้าไปไม่เห็นหลวงปู่ประตูข้างหน้าก็ปิดเป็นประตูยืดยืดแบบตึกแถว ถามพระว่าหลวงปู่อยู่ไมบ้าอยู่ในกรดนั่นแหละดูไงก็ไม่เห็นนะกรดก็ไม่ใช่ว่าหนา <c oughs> พอทีมที่เขาตามขึ้นมาครบนะมาครบแนละ้วท่านก็ออกมาจากกรดนะมาเปิดประตูบอกเห็นขึ้นเขามาเหนือหน่อยๆเลยให้นั่งพักก่อนเวลาเดินทางมาเหนือหน่อยๆใจยังไม่พร้อมจะฟังธรรมะเหนื่อยไปไม่ดี สมัยพุทธการพระพาหิยะเหนื่อยมากในการตามหาพระพุทธเจ้าไม่เจอพระพุทธเจ้าในตลาดท่านไ่บินทบาทไปถามธรรมะท่านท่านบอกไว้ก่อนยังไม่พร้อมหรอกจริงๆท่านจะบินทบาทจริงๆยังเหนื่อยพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราเพิ่งเดินเข้าสาลามาจิตใจยังไม่พร้อมร่างกายยังไม่พร้อมนั่งสบายๆนั่งรู้สึกตัวไป เมื่อเรารู้สึกตัวอย่างสบายจิตจะเกิดสมาธินี่เคล็ดลับของการทำสมาธิใครว่าทำสมาธิยากไม่ยากหรอกถ้ารู้หลักนี่ส่วนใหญ่ไปทำสมาธิไปบังคับพยายามบังคับจิตน้อมจิตไปบังคับจิตไปเพ่งเอาไว้ควบคุมไว้จะให้มันสงบอย่างนั้นไม่สงบง่ายยาก ถ้าเมื่อไหร่รีแลกซ์นะมีความสุขมีความสบายจิตใจผ่อนคลายนะสมาธิมันจะเกิดเองแหละพระความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิในสิ่งที่เราจะเรียนนะมี2 อ, อันนะเรียนเรื่องสมถะอึงเรื่องวิปัสสนาอันนึงสมถะเอาไว้พักผ่อนทําให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงเคล็ดลับของมันอยู่ที่ว่าต้องมีความสุขถ้าเครียดนะไม่มีความสงบหรอก ความสงบเกิดไม่ได้ถ้าใจเครียดเวลาเราจะหลับรู้สึกไหมเวลานอนใครๆเป็นไหมเวลานอนแล้วก็กลุ่มใจว่านอนไม่หลับยิ่งกลุ่มใจยิ่งไม่หลับรู้สึกไหมในตำรานะบอกว่าให้ลุกขึ้นมากินนมอะไรเงี้ยเราใส่มันเขียนตำรามาจากเด็กเล็กๆ <c oughs> ให้กินนมแล้วหลับเหมือนเด็กแรกเกิด น, นะกินนมเสร็จแล้วหลับ จริงไม่มีอะไรเคล็ดลับของมันก็คือผ่อนคลายถ้าเรานอนไม่หลับแล้วก็ดิ้นรนใหญ่อยากให้หลับยิ่งเครียดก็ยิ่งไม่หลับจิตใจไม่สงบไ ม, สไม่สงบไม่สบายก็ดิ้นการทําสมาธิก็คล้ายๆกับนอนหลับนะแต่ต่างกับนอนหลับนอนหลับมันไม่มีสติแต่ถ้านอนหลับแบบลูกศิษย์หลวงพ่อประมวลนี่มีสตินะพลิกซ้ายพลิกขวารู้หมดเลยแบบนอนเอาเรื่อง ใครพูดอะไรก็ยินหมดอนะนอนหลับของคนทั่วไปไม่มีสติแต่เข้าสมาธิมีสติจิตสงบนะด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวยังไม่สงบแบบลืมเนื้อลืมตัวหายไปจากโลกเลยไม่ใช่แต่จุดตั้งต้นคล้ายๆกันนะมีความผ่อนคลายมีความสบายแต่ว่ามีสติงั้นจะทำสมาธินะหาเครื่องอยู่ให้จิตแม่อันหนึ่งเลือกเอา เราอยู่กับกรรมฐานชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับกรรมฐานชนิดนั้นใครพุทโธแล้วมีความสุขอยู่กับพุทโธใครรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจใครดูท้องฟองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องฟองยุบใครขยับมือทําจังหวะแล้วมีความสุขค่อนคลายก็ขยับมือหใครรู้อิริยาบถสี่แล้วมีความสุขก็รู้อิริยาบถหร ใครทอะไรแล้วมีความสุขวันนั้นถ้าเป็นพวกนักดูจิตก็ทาใจสบายมันสว่างว่างขึ้นมาข้างหน้าสว่างว่างอยู่ข้างหน้าใจสบายอยู่กับความว่างนี่ก็เป็นสมถะแป๊บเดียวจิตก็สงบแนละ้วงั้นเราเลือกว่าอารมณ์อะไรที่เราอยู่แล้วมีความสุขเราอารมณ์ันนั้นแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยัว่วยกิเลส เล่นไท่แล้วมีความสุขเนี่ยอย่ามาทําสมถะทําไม่ได้อ่ะนะดูบอลมีความสุขมากเลยบอลโลกบอนอะไดูรัตาแดงงานการไม่ค่อยทําเลยนะถึงดูเล่นบอลมีความสุขอย่างนั้นไม่สงบอะใจฟุ้งซ่า น, ม, นมันเร้ากิเลสมากไปต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสอี่ยพุทโธไม่ยั่วกิเลสนะลมหายใจไม่ยั่วกิเลสท้องฟองยกไม่ยั่วกิเลสอย่างเงี้ยหาอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลส หรือดูความสว่างความว่างในจิตในใจของเราภนะาวนาพวกดูจิตเนี่ยทำสมถะที่ง่ายที่สุดเลยนะดูความสว่างดูความว่างที่อยู่ข้างหน้านะทีอยู่ข้างหน้าเพ่งลงไปในความว่างอย่างเบาๆสบายมันก็คือการเพ่งกระสินนั่นแหละเพ่งช่องว่างเป็นกระสินช่องว่างเป็นกระสินแสงสว่าง เล่นกระสินได้หลายตัวนะที่ว่าดูจิตดูจิตนะงั้นมีสมาธิอัตโนมัติเกิดขึ้นมาได้ด้วยงั้นใครอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขก็อารมณ์ น, นั้นแหละมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตพอจิตแล้วน้อมไปอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขนะสักพักหนึ่งนะใจสบายใจไม่หนีไปที่อื่นทําไมใจไม่หนีไปที่อื่นเพราะใจมีความสุขทําไมใจของคนทั้งหลายดิ้นรนตลอดเวลา เพราะมันไม่มีความสุขมันดิ้นไปก็ดิ้นไปหาความสุขเท่านั้นเองอย่างวิ่งไปดูนอนดูนี่หวังว่าจะมีความสุขดูในเมืองไทยไม่พอนะต้องไปดูต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะได้มีความสุขมากๆมันจะสุขตรงไหนเนาะตามองเห็นรูปมันสุขเหรือหูได้ยินเสียงมันดิ้นรนไปฟังเสียงหวังว่าจะมีความสุขเพลงนี้เพราะเพลงนี้สนุกเพลงนี้มันอะไรอย่างเงี้ย ไปฟังเพลงก็หวังว่าจะมีความสุขอีก ม, มีใครเคยมตั้งใจฟังเพลงเพื่อให้กลุ่มมากกว่าเก่ามีไหมก็ <c oughs> บ้าเท่านั้นแ่ะทำอย่างนั้นไม่มีหรอกไปดูหนังอ่ะมีใครเคยวางใจไหมไหมว่าจะไปดูให้ทุกมากกว่าเก่าเราเที่ยวไปดูเราเที่ยวไปฟังเราเที่ยวไปกินลิ้มรสอาหารเที่ยวไปาหาสัมผัสมาให้ตัวเองนุ่มนวลออนโยนโอบอวนสบายอะไรเงนี้ ก็หวังว่าจะมีความสุขทั้งนั้นเลยเนี่ยจิตมันไม่มีความสุขจริงนะมันดิ้นพล่านพล่านไปวิ่งไปดูก็ไม่มีความสุขก็วิ่งไปฟังแทนวิ่งไปฟังไม่มีความสุขนะก็วิ่งไปคิดแทนคิดเรื่องนี้อาจจะมีความสุขมันมีความสุขอยู่ในโลกของจินตนาการในโลกของความเป็นจริงไม่มีความสุขอะไรเงี้ยั่นก็หนีไปหาความสุขอยู่ดีอ่ะนะงั้นจิตของคนทั่วไปเนี่ยมันวิ่งหาความสุขตลอดเวลาแต่มันไม่มีจริงอ่ะ าในโลกนี้เอาเข้าจริงนะถ้าสติปัญญาพอจะรู้เลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆแต่ใจที่หิวโหยความสุขก็เที่ยวหาไปเรื่อยแต่ถ้าเราจะทำสมถะนะจะไม่ให้ใจวิ่งหาอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อย เ, เราเลือกเลยหาอารมณ์ที่มันไม่ย่กิเนะหหาอารมณ์ที่ว่าใจเราไปอยู่แล้วมันสบายเอามาอยู่เป็นเครื้องอยู่ ใครชอบพระพุทธเจ้าก็คิดถึงพุโทโธพุธโทโธไปพุโทโธอย่างเดียวสั้นไปก็อาจจะเติมพุโทโธเมนาโถอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอะไรเงี้ยทำโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเร า, าส่วนน้โมตัสสาก็ได้ส่วนอะไรก็ได้แต่อย่าให้ยาวเกินยาวมากนะมันตกเขาเรียกตกท้องช้าง ย่งสวดชินนบะบัญชอนนะกว่าจะจบนะใจลอยไปตั้งหลายรอบแนละ้วไม่สบายนะบางทีถ้ายิ่งสวดไม่ชำนาญ น, นะสวดแล้วเครียดถ้าต้องคอยนึกถึงไหนระหว่าถึงไหนระหว่ามาถึงนี่เราจะไปไหนอีกอนะไรเงี้ยแต่พอสวดชินนะสวดจนจบเลยยังไม่มีสติเลยใครเคยเป็นไหมสวดมนต์จนจบแล้วไม่มีสติเลยตายแล้ ว, ว่าพระพุทธเจ้าท่านจะได้ยินหรือเปล่า สวดไปจริงจกตุกแกฟังใจเราหนีไปที่อื่นะนะื้อหาอารมณ์นะที่มีความสุขนะแล้วก็มีสติอยู่กับอารมณ์อันนั้นอย่าใจเลื่อนลอยไปเน่ยสวนมนมีความสุขแต่ใจเลื่อนลอยไปนะส่วนลวเพลินเพลินขาดสติก็ไม่เอาให้เรามีสติอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขพุโทโธก็ได้อะไรก็ได้เหมือนๆกันหมดนะนะไม่ดีไม่เร็วต่างกันนะสํานักไหนคนหนําสอนอันไหนใช้ได้เท่านั้นนะ สมถะเนี่ยไม่ยากอะไรทำง่ายถ้ารู้หลักไม่เลือกอารมณ์ไม่เหมือนวิปัสสนานะวิปัสสนาเลือกอารมณ์ต้องเป็นอารมณ์รูปนามเท่านั้นมีคาว่าเท่านั้ น, นยอารมณ์ของวิปัสสนาต้องดูรูปดูนามนะดูกายดูใจดูธาตุดูขันธ์ดูอายตนะจริงๆธาตุขันธ์อายตนะก็คือรู ป, ปรนามเท่านั้นแต่สมถาไม่เลือกอารมณ์ เป็นความคิดก็ได้อารมณ์ที่ใช้ความคิดเอาเรียก อ, อารมณ์พัญยัดนะเช่นท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปนะคิดถึงแต่พุโทโธมีความสุขก็ขสงบได้พิจารณาร่างกายเป็นตติกูนาสุภานะพิจารณาไปเรื่อยๆถ้าไม่กลัวผีนะไม่กลัวความกระยัคกระย่างน่าเกลียดเลยนะบางคนพิจารณาสุภาแล้วจิตสงบนะราคาแรงๆพิจารณาสุภาราค้าหายไปจิตสงบนี่เรื่องของสมถะนะ ใช้ความคิดก็ได้ใช้เรื่องราวที่คิดคิดถึงร่างกายเป็นผมขนเล็บฟันหนังนเรียกกายคตาสติก็ได้คิดถึงทานที่เราทําแล้วด้วยดีเราเคยทําทานชาตินี้เคยทําทานเคยใส่บาตรหนึ่งครั้ง mm. มีสิทธิ์ปลื้มใจไหมใส่บาตรหนึ่งครั้งมีสิทธิ์ปลื้มใจแล้วควรจะปลื้มใจทั้งชีวิตด้วยนะทุกครั้งที่คิดถึงจิตจะขึ้นวิถีที่เป็นมหากรุสุครั้งใหม่นะ เหมือนทําใหม่เลยเหมือนทําใหม่ใส่ข้าวหนึ่งทัพทีนะคิดทุกวันเลยนะเหมือนใส่ข้าวเป็นเกวียนๆ เ, เลยก็นะคิดไปเรื่อยๆได้บุญเยอะทํานองเดียวกันถ้าทําบาปไปเหยียบมดตายหนึ่งตัวแล้วคิดทุกวันเลยคิดทั้งวันเลยเหมือนเหยียบมดทั้งหลังเลยนะนี่เราน้อมใจนะไปคิดเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่าเคยทําทานแล้วคิดถึงทานของเรานะได้ช่วยเหลือทําทานไม่จําเป็นต้องให้ปลานะ ทำทานทำได้เยอะแยะช่วยเหลือคนอื่นก็ได้เห็นคนถูกลดทับก็ไปช่วยเขาไม่ใช่ช่วยเก็บนาฬิกานะ <c oughs> <c oughs> เห็นหมาถูกรดทับเลยนะถูกลดชนหนะมายังไม่ตายนะเราไปช่วยมันเข้ามาอยู่ริมถนนให้มันตายอย่างสบายหน่อยไม่ต้องถูกชนหลายที <c oughs> ในนี้ก็เป็นบุญทั้งสิ้นเลยความช่วยเหลือสงเคราะห์ ปลดเขายกโทษให้เขาเอภัยให้เขาก็ เ, าเป็นทานอย่างหนึ่งเขาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจนะให้ความรู้ความเข้าใจเขาก็ เ, าเป็นทานอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติบางคนนะไม่พอนาไลซีดีหลวงพ่อแจกอย่างเดียวตัวเองไม่ฟังนะรู้สึกดีแจกแจกแจกแจกได้บุญไหมเป็นบุญอันนี้เป็นทานนะเป็นทาน แต่ตัวเองไม่ได้ฟังเองไม่ได้ภาวนานะคิดทุกวันเลยได้ไลฟ์ซีดีแจกไปเท่านี้แล้วหมื่นแผ่นแล้วอย่างเงี้ยถ้าใจจะคิดถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลนะก็ะได้สมาธิขึ้นมาจิตสุขจิตมีความสุขจิตจะมีความสงบสมัยพุทธ ก, กาลก็มีพระองค์หนึ่งบวชมาภาวนาไม่ได้ทําไงก็ไม่ได้ไม่สำเร็จเลยวันหนึ่งท่านเสียใจมาก ภานาไม่สำเร็จรุ่นเดียวกันเขาเป็นพระละหันไปหมดแล้ะพอคนอื่นเผลอนะถ้าเอามีดโกนปาดคอตัวเองนละยพอมีดโกนปาดคอก็จะตั้งตายนะนะั่นแหละท่านก็มันนึกถึงว่าบวชมาไม่ได้อะไรเลยเสร็จแล้วก็เอะใจขึ้นมาบวชมาเนี่ยตั้งใจรักษาศีลมาตลอดเลยนะรักษาอย่างเต็มที่เลยถึงจะพลาดพลั้งผิดศีลบ้างอะไรนันก็เรื่องปกติแต่ไม่มีเจตนาจะทําผิดเลยนะมีแต่เจตนาที่จะรักษาศีล พะท่านคิดถึงศีลของท่านนะศีลของท่านสะอาดอย่าว่าแต่ท่านจะติเตียนตัวเองไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ยังไม่ติท่านเรื่องศีลอย่างเงี้ยท่านอิ่มใจขึ้นมาคิดถึงว่าได้รักษาศีลอย่างดีก็อิ่มใจจิตมีความสงบขึ้นมามีความสุขมีความสงบท่านก็ดูธาตุดูขันธ์ที่มันจะตายนั้นบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายเป็นพระอรหันต์ชนิดชีวิ ต, ตะสมาสีสีตายแล้วบรรลุพระอรหันต์ในขณะนั้น แต่นี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบนะพวนะกเราขืนไปปาดเข้าก็ตายเปล่าๆตกนรกอีกนะทำไมท่านพานามาตลอดไม่สำเร็จเลยคงจะพยายามมากไปจิตไม่สงบเนอกภาวนางไงก็ไม่สำเร็จท่านรู้รูปนามเป็นไหมต้องรู้วิธีแหละก็จะตายเข้าจริงๆยังดูได้เลยนะแต่จิตไม่ยอมสงบเลยเพราะท่านคิดถึงศีลของท่านนะ จิตท่านสงบเพราะอย่างถ้าพวกเราตั้งใจรักษาศีลให้ดีนะอย่าให้ด่างพร้อยทุกครั้งที่เรานึกถึงมันจะอิ่มใจขใึ้นมามีความสุขขึ้นมาสมาธิจะเกิดขึ้นนั้นสมาธิเกิดจากจิตใจที่มันมีความสุขนี่แหละนี่ใช่อารมณ์บัญญัติอย่างนี้ก็ได้นะใช่อารมณ์รูปนามก็ได้เช่นเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าดูลมหายใจไปเรื่อยเลยตัวลมหายใจเป็นรูปธรรม ดูรูปไปเรื่อยเลยหรือดูนามก็ได้นะความเจ็บความปวดเกิดขึ้นเพ่งลงไปที่ความปวดเลยเพ่งนิ่งๆอยู่ที่ความปวดความปวดค่อยๆหายไปนะกลายเป็นเฉยๆเพ่งอยู่ในความเฉยๆนี่เพ่งตัวเวทนาก็ได้นะกิเลสเกิดขึ้นมาโทสะเกิดขึ้นมาเพ่งใส่มันไปเลยโทสะจะหดตัวหายแวบไปแล้วก็เพ่งอยู่ในความว่างๆที่โทสะหายไปแล้วนี่เพ่งรูปเพ่งนามนะ เป็นสมถะทั้งสิ้นดูท้องพองยุบจิตไปอยู่ที่ท้องเพ่งอยู่ที่ท้องสมถะนะไม่ใช่วิปัสนารู้ลมหายใจจิตสงบอยู่กับลมหายใจอันนี้สมถะไม่ใช่วิปัสนาเดินจงกรมเพ่งอยู่ที่ร่างกายนะเท้าขยับกระเยื้อนไงรู้หมดเลยบางทีก็เพ่งร่างกายทั้งร่างกายเหมือนเราหยุดข้างบนนะ้วเราจ้องลงมาเห็นร่างกายทั้งตัวนะกระดุกกระดิกรู้สึกหมดเลยเพ่งอยู่ที่ร่างกายอย่างเงี้ยสมถะนะ งั้นอารมณ์สมถานนะไม่เลือกเลยใช่ไหมอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดก็ได้อารมณ์รูปประธรรมก็ได้อารมณ์นามธรรมก็ได้อารมณ์ทั้งหมดมันมี4ชนิดอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดขึ้นมาไม่มีจริงอารมณ์ที่สองคืออารมณ์รูปธรรมอารมณ์ที่3อารมณ์นามธรรมคือความรู้สึกทั้งหลายอารมณ์ที่4คืออารมณ์นิพพานอารมณ์นิพพานก็ใช้ทําสมถะไม่ใช้ทํำวิปัสสนาไม่มีใครเอานิพพานไปทํำวิปัสสนาเพราะนิพพานนั้นไม่แสดงไตรลักษณ์หรอก นิพพานมีเอกลักษณ์เท่านั้นเองคือความเป็นอนัตตาแต่นิพพานเที่ยงนะแล้วถ้าขืนไปดูดูไม่ได้ด้วยเพราะไม่เห็นของเราปุถุชนไม่เห็นนิพพานนะแล้วพระอริยะเห็นนิพพานไหมพระอริยะเห็นนิพพานนะเวลาพระอริยจะเข้าสมาธิจะต้องการพักผ่อนเนะี่ยบางองค์ท่าน่าจับเอานิพพานเป็นอารมณ์เลยพระองค์ก็รู้ลมหายใจแนละ้วแล้วแต่ถนัด ไม่ได้เลือกว่าจะต้องเป็นอารมณ์อะไรเพราะั้นใช้นิพพานเป็นอารมณ์ก็ทําสมถะได้แต่ทํำพิปั ส, สนามไม่ได้ไม่มีเกิดดับให้ดูงั้นสมถะนะไม่เลือกอารมณ์อารมณ์อะไรก็ได้เราเลือกเอาที่เราสบายใจอยู่กับมันแล้วรีแลกซ์อยู่กับมันแล้วไม่ยัว่วกิเลสแล้วก็มีสติมีสติรู้ว่าอารมณ์มันนั้นเป็นอย่างสบายๆจิตจะสงบหรือจิตจะไม่สงบเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเรา ถ้าอยากให้จิตสงบจ้างก็ไม่สงบนะแต่ถ้ารู้เล่นๆจะสงบอย่างรวดเร็วเลยนะอยู่ที่การวางใจนะวางน้ําหนักในการรู้อารมณ์ถ้าวางน้ําหนักแรงเนี <c oughs> ย่ยไม่สงบอย่างนี้เบาไปนี่ <c oughs> อย่างนี้ไม่สงบนะอยู่ที่การวางน้ําหนักของจิตในการรู้นะสติแค่แตะเละ็ก เห็นร่างกายหายใจไปธรมธรมดาธรรมดาหายใจไปสบายสบายรู้สึกไปเห็นร่างกายหายใจรู้สึกรู้สึกนะรู้ไปสบายสบายไม่หนักไปไม่เบาไปนะไม่เคร่งเครียดไปไม่ผ่อนคลายจนกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวไปเลยนะเอาพอดีพอดีตรงพอดีนี่แหละเป็นศิละปละล่ะจะต้องไปหาเอาเองนะกว่าจะพอดีได้ก็ยากนะฝึกกันนานเลยกว่าจะพอดีถ้าพอดีเป็นนะปุ๊บเดียวก็เข้าสมาธิแล้ว พริบตาหนึ่งก็ช้าไปแล้วนะพระโมคคลลานะเข้าสมาธิเร็วนะเร็วเบอร์หนึ่งในบรรดาสาวกทั้งหลายเคยมีพญานาคตัวหนึ่งตัวใหญ่นะมาอ้าปากแล้วท้าพระนะชูหัวอยู่ในอากาศด้วยนะท้าว่าใครแน่จริงนะห่อเข้ามาในปากนะแล้วออกจากสมาธินะแล้วเข้าสมาธิใหม่แล้วห่อออกมานะอืไม่ใช่เข้าสมาธิอยู่ปุ๊บอ ย, อย่างนี้พญานาคถือว่าขี้โกง มาท้าพระ <c oughs> พระสารีบุตรนะอาสาพุทธเจ้าจะเข้าไปพระเจ้าไม่อนุญาตไม่ทันงูงับปากเร็วหัหยงูงับเร็วนะปุ๊บเลยนยจะต้องเข้าสมาธินะเข้าไปในปากออกจากสมาธินะแล้วเข้าใหม่นะแล้วออกนะเนี่ยในเวลาแค่นี้นก็มีองค์เดียวที่ทำได้แม้ท่านมีวสีอย่างแรง อค์อื่นทําไม่ได้หรอกพวกเราถ้นเข้าไปก็ตายคงั้นยัเป็นเคล็ดลับมาอยู่ที่การวางใจวางใจให้พอดีนะเคล็ดของการทําสมรถาก็ไม่มากแรกรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขมีความสบายไม่ยั่วกิเลสอันที่2มีสติระลึก ร, รู้ด้วยน้ําหนักที่พอดีพอดีไม่ตึงไม่หย่อนนะตัวนี้ต้องไปหาเองแต่ละคนนะความจริงมันเหมือนกันนะสภาวะที่พอดนะีเหมือนกันทุกคนแนหะ แต่ว่าเราทำไม่เปลี่ยนไม่แรงไปก็หย่อนไปนะั่ค่อยๆค่อยๆสังเกตนะถ้าพอดีพดีนะแวบเดียวก็เข้าสมาธิแนละ้วนี่เรื่องของสมาธินะเรื่องของสมถะ ถ, ถ้าทําสมาถะเราได้อะไรได้ความสุขได้ความสงบได้ความดีเช่นจิตมีราคาะเจริญอสุภะกรรมฐานราคะหายไปนีจิตได้ความดี พอราคาหายไปจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านเพราะราคาใช่ไหมได้ความสงบจิตไม่ฟุ้งซ่านไปเพราะราคาจิตสงบจิตก็มีความสุขได้ความดีได้ความสุขได้ความสงบนะตามกันมาเป็นแถวแถวสบายเอาไว้เป็นที่พักผ่อนสมสถะกรรมฐา น, าานถ้าทําได้ให้ทําทุกวันแบ่งเวลาไว้ทําทุกวันวันละมากน้อยก็ตั้งสัจจะเอาสินาที15นาทีอะไรอย่าตั้งเยอะตั้งมากเดี๋ยวเครียดเครียดแล้วจิตไม่สงบ ตั้งน้อยๆนะแล้วมันทําได้เยอะตั้งเยอะๆแล้วมันจะทําไม่ไดนะ้บางคนตั้งนะเริ่มต้นแนละทุกวันต่อไปนี้จะนั่งสมาธิห่งชั่วโมงเดินจงกลมหนึ่งชั่วโมงทําได้วันแรกนะวันที่สเหลืออย่างละครึ่งชั่วโมงวันที่สาเอาไว้ก่อนนะทุกคนะติดไว้ก่อนเลยนะเอาพอดีพดีนะตึงนิดๆแบบที่ลำบากนิดๆตั้งสัจจะไว้แบบทำแล้วลำบากนิดๆ เช่นเราตั้งนั่งสมาธินะได้10นาทีนียอึดอัดหน่อยๆแล้วอยากจะเลิกแล้วถ้าส5บหนาทีนี่โลกจะแตกแล้วทนไม่ไหวแล<ม>้วอย่าไปตั้งสิบ้านาทีเอาตั้ง10บนาทีถ้า8ดนาทีพอดีมีความสุขอย่างเดียวเลยนะก็น้อยไปเพิ่มสักนิดหนึ่งให้ตึงไว้นิดหนึ่งมันจะค่อยๆอยัพเกรดตัวเองขึ้นไปได้แต่ไปนั่งเป็นชั่วโมงก็นั่งได้นะค่อยๆฝึก ได้ความสุขได้ความสงบจิตจะมีแรงถัดจากนั้นมาฝึกสมาธิชนิดที่สองไม่ใช่สุขสงบเฉยๆแล้วแต่ตั้งมั่นเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมเตรียมจิตเคื่องสงบแล้วนั่นแหละให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาค่อยๆหัดสังเกตดูจิตเนี่ยเวลามันสงบเนี่ยบางทีสงบออกข้างนอกอย่างไปดูจิตนะดูจิตนะสว่างว่างว่างอยู่ข้างนอก ถ้าจิตไม่เข้าฐานนะเดินปัญญาไม่ได้สงบอยู่นอกฐานเดินปัญญาไม่ได้แต่บางท่านท่านชํานาญจริงนะสงบแล้วอยู่ในฐานเลยเรื่องนี้ดีที่สุดท่านหายใจไปหายใจไปจิตรวมนะรวมอยู่ที่จิตไม่ได้รวมอยู่ที่ลมหายใจถ้าจิตไปรวมอยู่ที่ลมหายใจนะต้องรู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมอีกทีมันจะเข้ามารวมอยู่ที่จิตนั้นจิตต้องรวมลงที่จิตนะถึงจะเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาอย่างแท้จริง จิตไปรวมอยู่ที่ท้องจิตจะไม่เป็นผู้รู้จิตไปรวมอยู่ที่เท้าจะไม่เป็นผู้รู้จิตไปรวมอยู่ที่แสงสว่างข้างหน้าจะไม่เป็นผู้รู้ให้เรารู้ทันว่าจิตมันเคเลื่อนไปเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้แหละรู้ทันว่าจิตมันเคเลื่อนไปมันไม่ถึงฐานมันไม่ตั้งมั่นมันเข้ามาไม่ถึงจิตอย่างแท้จริงเชน่นพุทโธพุทโธไปเรื่อยนะแต่คราวนี้ไม่ได้พุทโธ เ, <yll Casey> <bott on> เอาความสงบลนะนะไม่ใช่พุทโธแล้วก็สบายมีความสุข เราพัฒนาขึ้นมาพุทโธ В. พุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้พุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้ไม่ได้มุ่งที่ความสงบอีกต่อไปแล้วแต่มุ่งรู้ทันจิตที่ไหลไปมุ่งรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะั้นจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เพราะผู้รู้กับผู้คิดเนี่ยกลับข้างกันถ้าเมื่อไรไปจิตเป็นผู้รู้จิตจะไม่เป็นผู้คิดเมื่อไหรจิตเป็นผู้คิดจิตจะไม่เป็นผู้รู้มันจะทํางานกลับข้างกัน งั้นเวลาจิตมันหนีไปคิดเนะี่ยเรารู้ทันเมื่อไรนะผู้รู้จะเกิดขึ้นหลวงพ่อตอนหัดทีแรกนะทำสมาธินะจิตก็รวมลงที่จิตนะก็สงบ อ, อยู่อย่างนั้นนะทาได้แต่ตั้งแต่เล็กๆเลยแต่ว่าเดินปัญญาไม่เป็นพาไปหาหลวงปู่ดูลวันแรกที่ไปหาท่านท่านสอนให้ดูจิตตัตวเองค้นคว้าลงมาในร่างกายคิดว่าจิตต้องอยู่ในกายดูไปร่างกายไม่ใช่จิตนะดูไปเวทนาไม่ใช่จิต เสร็จแล้วพอมาดูตัวนี้ส่วนมนพุทโธสูตสุตโธกรุณามหั่นรโวส่วนมันในรถไฟนะพุทโธสูตสุตโธกรุณามหั่นระโวสติมันไปรู้จิตที่คิดบทส่วนมนเข้าทันทีที่เราคิดสติมันรู้ว่าจิตไปคิดบทส่วนมนนะตัวรู้เกิดขึ้นป๊อปเลยอัตโนมัติเลยเพราะงั้นเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิด ครูบาอาจารย์บางองค์ถึงสอนไงว่าเมื่อไรรู้ว่าจิตชนะิดนั้นเมื่อนั้นจะได้ต้นทางของการปฏิบัติคือได้จิตรู้นั่นเองที่ว่าเป็นต้นทางของการปฏิบัติงั้นบางคนหลวงพ่อชมวาตื่นแล้วตื่นแล้วเนี่ยจิตถึงฐานเลยไม่ได้แปลว่าเป็นพระโสดานนะยังไม่ได้เริ่มมีปัสนาเลยนะต้องสํานึกตนนะ <c oughs> ไม่ใช่หลอกให้เพื่อนไหวนะบอกเนี่ยหลวงพ่อประโมทบอกฉันตื่นแล้วเธอไหว้ฉันได้แล้วนะเวลาคุยกับฉันเธอต้องนั่งพนมมือนะไม่งั้นเธอบาปตกนรกเจดชั่วโคตรนะ มันหลอกเขาเราอย่างงั้นมันแค่รู้สึกตัวเท่านั้นเองงั้นเราคอยรู้ทันนะรู้ทันจิตไหลไปคิดแล้รู้จิตไหลไปคิดเล้รู้เราจะได้สมาธิชนิดที่สองสมาธิชนิดนี้ง่ายกว่าชนิดแรกอีกแต่คนในโลกนี้ไม่รู้จักเป็นเรื่องอาภัพที่สุดเลยสมาธิสงบอยู่กัได้อารมณ์แดนหนึ่งนะมีในทุกศาสนาเลยนะแต่สมาธิที่จิต ด, ดีด ต, ตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ไม่มีหรอกที่อื่นไม่มีเลย แล้วเราคอยรู้ทันจิต ท, ที่ไหลไปคิดนะฝึกทุกวันทุกวันรู้ไปเราจะได้สมาธิชนิดที่สองขึ้นมาเมื่อได้สมาธิชนิดที่สองเนี่ยจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาอย่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆบางคนพอจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็อยู่เฉยอ ย, อย่างนั้นเองไม่ยอมดูกายดูใจทํางานอย่างนี้ไม่ดีนะถ้ามันไม่ยอมดูนะช่วยมันคิดพิจารณากายไปเลยนะกระตุ้นให้มันดูความเป็นใจรักษณ์ของกายของใจ อย่าปล่อยให้มันรู้ตัวแล้วก็เฉยว่างสว่างรู้ตัวอยู่งั้นบางคนมุ่งมาตรงนี้นะดูจิตดูจิตนะมุ่งมาตรงที่จิตรู้ตัวขึ้นมาแล้วว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างความจริงเหลืออีกเยอะเลยว่างจริงไหมว่างแต่เป็นความว่างแบบอากาสารัญจายตนะไม่ใช่มหาสุญญตาคนละว่างสว่างสว่างไหมสว่าง มีสมาธิมันก็สว่างเละยแต่ไม่ใช่สว่างของพระนิพพานนะอบริสุทธิ์ไหมไม่บริสุทธ <incluso S 2> <hops> ิ์เลยนอนจมกิเลสอยู่เต็มไปหมดเลยหยุดความปรุงแต่งไหมไม่หยุดกําลังปรุงแต่งความว่างอยู่หยุดการแสวงหาไหมไม่หยุดหรอกนะก็ยังแสวงหาความว่างนั้นอยู่ยังมีเข้ามีออกอยู่นะเดี๋ยวจิตก็เชี่ยวแสวงอย่างอื่นเดี๋ยวจิตก็มาแสวงความว่างหยุดกิริยาของจิตหยุดไหมไม่หยุดยังจงใจประคองจิตอยู่ในความว่างอยู่ ไม่หมดกิริยาเขาบอกไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเหลือเยอะแยะเลยเหลือกิเลสอีกเพียบเลยนะงั้นไม่ใช่นะไม่ใช่งั้นดูจิตดูใจนะค่อยๆหัดสังเกตไปหัดแยกธาตุแยกขันธ์ไปนะพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วอย่าหยุดอยู่แค่นี้ว่างสว่างอยู่ตรงเนี้ยใช้ไม่ได้เรียกนั่งทับอุจจาระอยู่แล้วมองไม่เห็นเป็นมะเร็งแล้วยังไม่รู้ตัวเพี้ยนนั้นนะ่นะะก็ต้องรู้ลงไปอีกพาจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะ มีสติรู้อยู่ในกายมีสติรู้อยู่ในใจดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานค่อยๆหัดแยกขันไปเห็นเลยร่างกายที่นั่งอยู่ร่างกายที่หายใจอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูในหัดอย่างนี้นะความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นมาเห็นเลยความปวดความเมื่อยเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูกิเลสเกิดขึ้นมาเช่นความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นเลยความโกรธถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูในหัดอย่างนี้เรื่อยๆอะไรๆเกิดขึ้นนะดูไปเลย ทุกสิ่งเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ทั้งนั้นเลยค่อยๆฝึกไปอย่างนี้นะแยกไปเรื่อยๆเลยในสุดขันจะแตกตัวออกขัน5ก็ส่วนขัน5นะร่างกายส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตเวทนาก็อยู่ส่วนเวทนาเวทนาไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตสังขารก็ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตขันมันจะแยกตัวออกไปแล้วแต่ละขันนั่นแหละจะแสดงไตรลักษณ์ถ้าแยกขันไม่ได้นะแยกธาตุไม่ได้แยกอายตนะไม่ได้จะไม่เห็นไตรลักษณ์หรอก ขันธาตุอายตนะเนยเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานนะแต่พูดจริงๆขันก็คือรูปกระนามธาตุก็คือรูปกระ nam อายตนะก็คือรูปกระ nam แล้วแต่แยกในแง่มุมใดเท่านั้นเองแยกขันแยกธาตุแยกอายตนะเอาอย่างไดก็ได้ถ้าพวกคิดมากเนยะแยกขันไว้เพราะในขันห้านะมีรูปหนึ่งมีนามสี่นี่พวกที่ชอบดูจิตดูใจเนี่ยแยกแยกขันไปพวกชอบดูกายเนะี่ยแยกอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายห้าอัน เป็นส่วนรูปประทับใจเป็นนามรามรทมอันเดียวถ้าพวกเรื่องมากเอ า, าธาตุเลยมีทั้งสิบดรูปจำนวนมากนามจำนวนมากอันนี้สําหรับพวกเรื่องมากนะแต่ว่าจริญนิสัยคนบางคนต้องเยอะๆถึงจะพอถ้าน้อยๆไม่สะใจอันนั้นว่าเขาไม่ได้หรอก <S <S เพราสร้างของเขามาอย่างนั้นนั้นเราแยกหัดแยกขันแยกธาตุแยกแ ย, ก ย, กยกัจนะขันธาตุยัจนะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาะแล้วย่อลงมาก็คือรูปนามนั่นแหละไม่ต้องตกใจน รูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายแต่ถ้าพวกเราพวกคิดมากพวกจะดูจิต ด, ดูใจนะแยกขันธ์ไปเลยนะมีรูปเป็นหนึ่งถ้าเห็นร่างกายอยู่ก้อนเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับมันอีกแล้วก็เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราไปส่วนทางจิตใจนะก็จะมีทั้งความรู้สึกคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉยมีความจําได้ความหมายรู้มีความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วมีความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะี่ยแยกนี้เป็นนามธรรม ท, ทั้งหมดเลย ใหยกแยกแย ก, แยกไปนะพวกชอบดูจิต ด, ดูใจแยกนํามาทําเยอะๆก็ดูขันนะงั้นหัดดูนะแล้วขันแต่ละขันจะสอนไตรลักษณ์วิปัสสนาแท้ๆเริ่มเมื่อเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เริ่มเมื่อเห็นขันนะต้องเห็นไตรลักษณ์นะถ้าเห็นขันแล้วก็จ้องอยู่ที่ขันเห็นถ้วยแล้วจ้องอยู่ที่ถ้วยอีวนะิปัสสนาที่ไหนสมถะนะต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์แต่จะเห็นไตรลักษณ์ได้ต้องแยกขันก่อน จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตตั้งมั่นคือจิตทรงสมาธิช น, นิดที่เป็นผู้รู้ผู้ดูสติระลึกรู้ขันแต่ละขันแล้วจะเห็นขันแต่ละขันแสดงใจรักต้องอย่างนี้นะเชิญไปทานข้าวไปนี่มนเลยครับ